ไม่ได้หมายความว่าผู้ชายไม่เป็นโรคนะผู้ชายก็เป็นแต่เราเทียบอัตราส่วนส่วนใหญ่อะเอาข้อที่สิบเก้าเป็นบอ่อเกิดของอันตรายอสั้นๆข้อที่สิบเก้าว่าผู้หญิงเป็นบอ่อเกิดของอันตรายอะไรบ้างบอ่อเกิดของอันตรายนั้นนะต้งสิบแปดข้อนะนะเยอะแยะไปหมด เป็บอ่อเกิดของอันตรายคงไม่ไม่ต้องไปพูดว่าอันตรายอะไรบ้างนะมันคงเยอะแยะมากมายนึกเอาเองก็แล้วกันข้อที่20เป็นคนหยาบนักคนหยาบนี่มีหลายหลายอย่างนะความหยาบอาจจะพูดจาหยาบคายอาจจะมีกิริยาอาการเนี่ยทางทางด้านสรีระกิริยาอาการที่หยาบหรือ คราวนีอ้อะไรอะ่ะความนึกคิดความนึกคิดาบางทีรุนแรงหยาบซึ่งอันนี้มาดูจากภายนอกไม่ได้แล้วนะจริงนะบางทีผู้หญิงเนี่ยภายนอกดูอ่อนแอดูอ่อนแอดูอะไรพวกนี้แต่โอ้โหบางทีความคิดนี่หยาบแล้วก็รุนแรงกว่าผู้ชายนะไม่รู้ว่าเพราะอะไรนะว่าเพราะว่า สภาพสถานการณ์ทําให้เก็บกดกว่าหรือเปล่าก็ไม่รู้เพราะความเก็บกดเนี่ยมันทําให้กดดันกดดันเสียเวลาคิดอะไรนี่คิดแรงแต่คิดแรงอาจจะทําออกไปไม่แรงก็ได้นะแต่เวลาคิดนี่โอ้โหบางทีคิดหยาบหยาบคิดแรงแรงส่วนผู้ชายบางทีมันอะไรอ่ะมันเออะตึงตังมันอะไรต่ออะไรมันได้ระบายออกไปบางทีมันก็เลยไม่ค่อยกดดันสักเท่าไรมันก็เลย อความคิดที่รุนแรงที่หยาบอะไรพวกนี้มันยังเบาลงมันยังลดลงแล้วผู้ชายมันยังหาทางออกได้ง่ายกว่าแต่ผู้หญิงบางทีมันโดนบีบจากหลายๆสถานการณ์เลยทำให้ความคิดนี้กดดันแล้วก็รุนแรงมากกว่าน ะ, อ, ะอันนี้เนี่ยเป็นคนหยาบ21เเป็นเครื่องผูกมัดนะเป็นบ่วงเนี่ยเป็นบ่วงเป็นเครื่องผูกมัด อ่าอันนี้อันนี้ง่ายแหละผู้หญิงมักจะไม่ค่อยเชื่อมั่นในตัวเองเพราะฉนั้นเขาเลยเปรียบผู้หญิงเหมือนกับอะไรนะเครือไม้ไม้เถาไม้อะไรพวกเนี้ยที่เรียกว่าอะไรอะ่ะถ้าไม่มีหลักปักเอาไว้นะก็ไปไงก็เลื้อยไปตามดินเน่ยแต่ถ้ามีหลักปักไว้เมื่ อ, อไร่แล้วก็พันขึ้นหลักทันที น่นเนี่ยเป็นเหมือนบ่วงเป็นเหมือนกับกับผูกมัดแล้วก็ที่อาจมาบอกกี้คือไม่เชื่อมั่นตัวเองซึ่งอันนี้พูดมาหลายทีแล้วว่าพราะผู้หญิงเนี่ยมีอุปทานที่โดนพวกผู้ชายหลอกเอาไว้ทำให้ไม่เชื่อว่าตัวเองเนี่ยสามารถยืนหยัดได้ด้วยตัวเองจริงๆแล้วสามารถที่จะทางานทําการหรือทําอะไรไม่แพ้ผู้ชายเลยสามารถทําได้ทุกอย่าง ทำได้แม้เป็นพระอาหารหันต์ก็ยังได้เ อ, อแต่บางทีเนี่ยพอๆ อ, อย่างเงี้ยผู้ชายมันบีบมาตั้งแต่นู่นแล้วนะตั้งแต่โบราณกาลแล้วนะจนมาถึงปัจจุบันนี้คือหลอกเอาไว้ตลอดเลยมันผู้หญิงจะโดนกดขี่มาตลอดเพราะนั้นความเชื่อมั่นของผู้หญิงถึงได้ไม่ค่อยมีพาะนั้นส่วนใหญ่ดูสิความเป็นผู้นำในที่ต่างๆไม่มีส่วนใหญ่จะเป็นผู้ชาย ถึงจะมีก็มีน้อยมากผู้หญิงเดี๋ยวนี้ประธานาธิบดีมียังผู้หญิงมียังอ่าใช่ไหมฟิิปินใช่ไหมอ่าเพิ่งจะมีกษัตริย์มีไหมเป็นผู้หญิงอ่อังกฤษมีเห็น ไ, ไหมแต่น้อยมากเลยไหมเพราะว่าโอ้โหถ้าเทียบกับทั้งโลกนี้แล้วเพราะะั้นอย่างเงี้ยมันบีไวปหมดเลย มันเลยทำให้ผู้หญิงเนี่ยขาดความเชื่อมั่นในตัวเองแม้กระทั่งที่จะพูดอยู่บ่อยก็คือไม่เชื่อว่าสามารถเป็นโสดสามารถอยู่ได้ตลอดชีวิตจนกระทั่งตายไม่เชื่อเมื่อไม่เชื่อก็เลยหลับหูหลับตาคว้าใครมาถ้าเลือกใครไม่ได้นะหลับหูหลับตาคว้ามาจนได้เพราะว่าไม่รู้ละก็ต้องหามาเป็นหลัก ให้ตัวเองทั้งๆ ท, ท, ที่เอามาเนี่ยไม่ใช่อะไรหรอกนะเอามาใส่ก็ตัวบางทีตัวเองก็ต้องทํางานแต่แล้วก็เอามาเลี้ยงดูไอ้ผู้ชายที่หามานต่แหละทั้งนี้ตัวเองเนี่ยเป็นคนอะไรอะทํางานหาเงินมาทั้งนั้นเลยแต่ไม่เชื่อมั่นนะว่าตัวเองจะอยู่ได้ในที่สุดก็เลยต้องไปหาสามีมาจนได้อะคนสามีแปลว่าเจ้าของเนี่ย เป็นอิสระไม่ชอบชอบไปให้มีเจ้าของมาเป็นเจ้าเป็นนายเพราะฉะนั้นก็เลยเซธอย่างเงี้ยวันผู้หญิงถึงเป็นโสดน้อยนะเป็นโสดไม่ค่อยได้ส่วนผู้ชายไม่ต้องไปพูดถึงผู้ชายไม่ค่อยเป็นโสดอยู่แล้วแต่ผู้หญิงเนี่ยเป็นโสดน้อยเพราะว่าไม่เชื่อไม่เชื่อตัวเองนะเพราะฉะนอันนี้อันนี้บอกว่า ผู้หญิงเนี่ยเป็นเหมือนกับเครื่องผูกมัดแล้วโดยเฉพาะยิ่งถ้ามีลูกมีเต้านี่โอ้โหยิ่งผูกพันหนักเลยเผู้หญิงจะออกบวชเนี่ยทิ้งครอบครัวแล้วก็มาออกบวชทิ้งยากใช่ไหมโอ้โหบางทีลูกบั้งล้านบ้างพอ่อบั้งแม่บ้างอะไรโอ้โหทำใจยากมันห่วงมันกงนังวลมันอะไรต่างๆ่กันนะ่ะแต่ผู้ชายนี่ดูสิ จะออกบวกจะทิ้งมาง่ายๆไม่ค่อยห่วงหรอกไม่ค่อยห่วงก็คือไม่ค่อยมีบ่วงไม่ค่อยมีบ่วงที่มารัดคอรัดแข้งรัดขาอะไรอะ่ะรัดคอนี่อะไรฮะโซ่เหรอโซ่เหรอเอาละโซ่ก็โซ่โซ่รัดคอเอารัดแขนรัดขาก็เปียบอะ เปรียนเมือ่อะไรอะไรนะพนังพาเทอะไรภริยาหัดเทอะไระบุดบุดรัดคออ้าวสมบัติสมบัติรัดอะไรรัดเท้าอา้ารัดมือนี่แหละภริยาสามีหรือว่าภริยานี่รัดมือเอาไว้เพราะเนี่ยมันจะเป็นบ่วงเนี่ยรัดเอาไว้ผู้หญิงนี่จะจะมากกว่าผู้ชายผู้ชายยังบอกโอ๊ย ไม่เอาอ่าวหอกบางทีผู้ชายมันจะทิ้งก็ทิ้งพูดพูดแล้วบางทีเหมือนกับอะไรนะ <c oughs> เหมือนกับไม่รับผิดชอบนะ <c oughs> เหมือนกับไม่ห่วงใยไม่อะไระ <c oughs> ดูแล้วถ้าพูดพูดในมุมลบก็เหมือนอย่างนั้นแหะแต่จริงๆในขนาดเดียวกันเนี่ยมันก็ให้เห็นด้วยว่าก็ไม่ได้ไปผูกพันไม่ได้ต้องไปโอ้โหหลงยึดหลงอะไรกันนักกันหนา อันนี้พูดโดยรวมๆนะทั้งทั้งที่ในสภาพความเป็นจริงอ่ะบางทีอ่ะบางครอบครัวโอ้ผู้ชายเป็นคนเลี้ยงดูลูกหลานอะไรต่ออะไรนะเอาใจใส่ดีกว่าผู้หญิงอีกใช่ไหมผู้ชายอ่ะบางคนแต่ก็จำนวน น, น้อยส่วนใหญ่แล้วผู้หญิงจะดูแลมากกว่าจะผูกพันกับลูกหลานคือญาติอะไรมากกว่าวันวันผ่านไปก็คอยนึกอ่ะตื่นนอนมาแต่เช้าก็นึกแล้ว เดี๋ยวจะทําอะไรเดี๋ยวจะอะไรไงภายในครอบครัวนะสวยพวกผู้ชายมันตื่นมาตอนเช้ามืดกูจะไปที่ไหนวันนี้อ <c oughs> จะไปทําอะไรจะอะไรจะนึกต่างกันนะ่ะจะให้เห็นเลยมันความผูกพันเรื่องพวกนี้ของผู้ชายถึงน้อยนะอันนี้ผู้หญิงก็เลยผูกพันมากอข้อที่ยี่สองเป็นถ้ำนะที่อยู่ของพญามัจยุราช บุรุษใดเดรเริงใจในหญิงเหล่านั้นบุรุษนั้นนับเป็นคนอธรรมในนรชนทั้งหลายนะพูดง่ายๆว่าอันนี้เป็นเหมือนถ้ำเออเป็นเหมือนที่อยู่ของพญามัจุราชอันนี้เหมือนข้อโน้นที่เรียกว่าอะไรคือคือพยายมอะไรนะ่ะเออเหมือนข้อพยายมนะนะั่นแหะแต่อันนี้เขาเปรียบว่าเป็นเหมือนกับที่อยู่ที่พักที่อาศัยผู้ชายคนไหน เนี่ยไปพักไปอาศัยอยู่กับผู้หญิงแล้วเนี่ยเนี่ยเขาบอกว่าไปเริงใจในหญิงเหล่านั้นผู้ชายคนนั้นเป็นอาธรรมเป็นคนที่เนี่ยไม่ไม่รู้เรื่องของธรรมะไม่เข้าใจเรื่องของธรรมะแลถึงได้ถึงได้ต้องไปยุ่งเกี่ยวกับผู้หญิงเพราะว่าบอกแล้วนะนี่ท่านพูดกับภิกษุนะมันก็ต้องถือว่าเหมือนกับอาธรรมใช่ไหมเพราะว่าท่านต้องการให้เป็นแล ให้เป็นโซน่จ่ะให้บวชอยูอ่ใช่ไหมเพราะท่านต้องทิ้งผู้หญิงอะ่ะมาออกบวชแล้วก็ไม่ต้องไปยุ่งแล้วมันท่านก็เลยตรัสทํานองนี้เสร็จแล้วอันนั้นน่ะกี่ข้อนอะทั้งหมดนะ่ะกี่ข้อแล้วละกี่ยี่บสองข้อเหรออ้าวพวกที่จวย์แต่จทได้กี่ข้อยีิบสองข้อนอะพอยีิบสองข้อนอั้นหมดไปแล้วนะคราวนีพ้พอหมดตรงนั้นปับ๊บพญานก กุนาระเนี่ยก็เลยพูดกับพญานกปุณณมุขะว่าดูก่อนสหายปุณณมุขะคนที่ฉลาดย่อมไม่ให้ทรัพย์สี่อย่างนี้ในตระกูลของญาติคือนี่นี่เริ่มเริ่มจะขึ้นใหม่อีกแล้วนะล้กี้นี้ไปย2บสองแล้วนะคราวนี้จะมาอีกสี่ว่าสี่อย่างนี้ ว่าคนที่ฉลาดแล้วเนี่ยถ้าใครมีข้าวของสี่อย่างนี้เนี่ยจะไม่เอาไปให้คนอื่นเขาละก็คือ 1. ยานพาหนะสองโคตัวผู้ 3. โคโนม 4. ภริยาหมายถึงว่าอย่าไปฝากใครเข้าไว้นะ4อย่างนี้เหตุผลอ่านะดูหน้าหนึ่งยานพาหนะเนี่ยเหตุผลเพราะว่า อาถ้ามีแล้วเนี่ยจะเป็นเพื่อนจะเป็นอะไรยังไงก็ตามอย่าอย่าเอาแฟนตัวเองไปฝากคนอื่นเขานะหรือเนี่ยถ้ามีรถอย่าเอารถไปฝากคนอื่นเขาเพราะคนทั้งหลายที่ไม่มียานย่อมใช้รถที่ฝากไว้แน่นอนอะ่ะเอารถไปฝากเขาถ้าเขาเกิดไม่มีเขาจําเป็นจะต้องใช้อะไรเขาก็ใช้แน่นอนพราเอารถไปฝากไปไม่ได้ หรืออย่างน้อยน้อยถ้าเขาไม่ขับถี่ไปไหนอย่างน้อยน้เขาก็อ้าวก็ต้องขึ้นไปอะไรอะ่ะเล่นบางขึ้นแปอะไรบ้างอะ่ะแน่นอนดานั้นอย่างแรกอย่างที่สองก็คือว่าอย่าไปฝากโคผู้เอาไว้เพราะว่าอะไรเพราะว่าถ้าฝากไว้เนี่ยย่อมจะฆ่าโคผู้ตัวนั้นเสียเพราะใช้ลากเข็นเกินกาลังคือแน่นอนอะ่ะเอา เอาโคตัวผู้ไปฝากไว้ให้เขาเลี้ยงดูอย่างนี้ เ, เขาจะเลี้ยงไว้เฉยๆเหรอเพราะใช้งานใช้การได้เขาก็ต้องใช้บ้างอะ่ะเพราะในที่สุดเขาก็อาจจะใช้ใช้ใช้จนกระทั่งมันหมดเลี้ยวหมดแรงหรือมันอาจจะถึงขั้นต้องตายไปก็ได้เพราะฉะนั้นอย่าไปฝากหรืออย่าเอาโคนมไปฝากโคนมนี่หมายถึงโคตัวเมียอะไรทีใช่ไหมโคนมและเอา่า เพราะว่าโคนมเนี่ยนะถ้าเอาไปฝากเนี่ยก็จะย่อมฆ่าลูกโคเพราะรีดนมแม่โคจนหมดคือโคนมเนี่ยถ้าออกลูกมาลูกมันต้องมากินนมแม่ใช่ไหมแต่ถ้ากินนมแม่เนี่ยถ้าเขาจะรีดนมแม่วัวตัวนั้นก็ก็ได้น้อยสิเพราะว่าต้องไปให้ลูกวัวกินอ่าเพราะฉะนั้นก็เลยท้า่านั้นขาฆ่าลูกมันทิ้งไปซะเพื่อที่ แม่วัวเนี่ยมีนมให้เขาได้เยอะๆโดยที่ไม่ต้องมีลูกวัว น, นี่มาแย่งกินก็จะเป็นอย่างนั้นเหมือนทุกวันเนี่ยบางทีเราก็เลยพูดว่าอะไรนะใครที่กินนมวัวแม้แต่หมอเปี่ยมโชคก็ยังบอกว่าใครกินนมวัว ก, ก็เหมือนกับไปแย่งไปแย่งลูกวัว ก, กิน <c oughs> เพราะฉะนั้นมัจําเป็นแล้วเราก็โตแล้วด้วยไม่จําเป็นต้องไปกิน นมวัวอีกแล้วโตวแล้วยังไม่รู้จักยานมสัท <c oughs> ีแล้วก็ไม่ใช่นมวัวด้วยนะไอ้ไม่ไม่ใช่นมคนอะ่ะมันเป็นนมวัวกินนมวัวมากๆเดี๋ยวก็เหมือนวัวนะเอาอันนี้เนี่ยสามอย่างแล้วใช่ไหมส่วนอย่างที่สีก็คือเนี่ยอย่าเอาภรรยานี่ไปฝากไว้ที่บ้านจะเป็นเคือญาติอะไรก็แล้วแต่อย่าเอาไปฝากไว้เพราะ ภรรยาย่อมปัททุสร้ายตระกูลญาติไม่ใช่กลัวว่าญาติจะทำร้ายภรรยานะฟังดูดีๆโอ้กลัวว่าภรรยานั่นแหละจะไปทำร้ายตระกูลญาติเขาอะว่าเนี่ยในที่นี้บอกว่าปัททุสร้ายตระกูลญาติแม้กับพวกท่าที่คุ้นเคยกันหมายถึงว่าอะไรโอ้บางทีเนี่ยอาจจะไปมีชู้อาจจะไปแม้แต่บางทีอะ ไอ้หนุ่มหน้าไหนหรือว่าคนรับใช้อะไรในบ้านอะไรไปทําบ้านเขาวุ่นวายอะ่ะพูดง่ายเพราะอย่าเอาภรรยาตัวเองไปฝากบ้านอื่น <c oughs> จะเป็นญาติกันสนิทแค่ไหนก็อย่าไปฝากอันนี้บอกกันนะนี่พูดกันในแง่ลบนะเพื่อที่ให้เห็นว่าโอ้โหจะได้ระมัดระวังจะได้ไม่ไปทําอย่างนั้นแล้วก็พูดต่อว่าดูก่อนสหายปุล น, นาคขะเอย๋ย ของหกอย่างนี้แล้วกี้สี่อย่างไว้แล้วครอนี้ของอีกหอย่างเมื่อเกิดธุระจำเป็นขึ้นแล้วใช้ประโยชน์อะไรไม่ได้เลยดูนะของหกอย่างนี้มีความจำเป็นมีความเดือดร้อนจะต้องใช้ขึ้นมาปรากฏว่าของของหกอย่างนี้มีก็จริงแต่ใช้ประโยชน์ไม่ได้ก็คือหนึ่งธนูไม่มีสายแน่นอนธนูไม่มีสายไม่รู้จะใช้อะไรอะ่ะ จะจะไปล่าสัตว์จะแค่ยิงอะไรก็ยิงไม่ได้สองนี่ภรรยาอยู่ในตะกูลญาติอยากจะอะไรใช้อะไรไงอะ่ะใช้อะไรก็ไม่ได้เพราะไม่ได้อยู่ที่บ้านตัวเองแล้วเนี่ยภรรยาไม่ได้อยู่ที่บ้านตัวเองดูไปอยู่บ้านอื่นแล้วจะให้ช่วยหุงข้าวซักผ้าหรือว่าจะปรึกษาพูดคุยไม่ได้อะไรละเพราะไปอยู่ที่บ้านอื่นว่าไม่มีประโยชน์สาม เรือที่อยู่ฝั่งกนันโนนมีเรือก็จริงแต่เรือมันอยู่ฝั่งกันโน้นไอเราอยู่ฝั่งกันนี้มันถึงจะมีก็ไม่มีประโยชน์ใช้อะไรไม่ได้หกอย่างนี้นะสี่รถพาหักรถผามันหักซะแล้วก็ขับจะเล่นไปไหนอะไรก็ไม่ได้นะห้ามีมิรเหมือนกันห้ามิรอยู่ไกล มีมิตรโอ้โหมีเพื่อนซีเลยซีปึกเลยนะมีเพื่อนที่รักชอบพอสนิทสนมกันมากถ้าปกติแล้วก็โอ้โหวักใครเอ็นดูช่วยเหลือกันแต่เพื่อนอยู่ไกลซะแล้วอ่ะก็ช่วยอะไรไม่ได้อนามานึกถึงเนี่ยตรวจบันทึกเพื่อเด็กนักเรียนสมาสิกขาบางทีก็โอ้คิดถึงเพื่อนคนนั้นคิดถึงเพื่อนคนนี้จังเลยบางทีอาตมาก็เวลาตรวจก็บอกไป เรคิดถึงไปแล้วทําอะไรได้ก็มันอยู่กันคนละที่แล้วอะอยู่ไกลกันแล้วคิดถึงไปก็มีแต่อะไรอ่ะถ้าคิดถึงแล้วเป็นสุขไม่ว่ากันนะแต่คิดถึงแล้วมันแบบแหมยิ่งเซง็งยิ่งเหงายิ่งเศร้าเพราะว่าไม่มีใครเหมือนเธออะไรอย่างเงี้ยนะโอ้โหไม่รู้จะคิดไปทําไมไอ้อย่างนี้นะอยู่ไกลแล้วไม่เพียงแต่ไม่เป็นประโยชน์นะเป็นโทษซะอีกเนะี่ยเพราะว่ายิ่งคิดถึงแล้วยิ่งยิ่ ง, ย, งยิ่งเศร้าโศกอะ่ะเออยิ่งทุกข์อ่ะ เพราะฉะนั้นอันนี้ไม่เพียงแต่ไม่เป็นประโยชน์นะเป็นผลเสียด้วยนะอันนี้คือมิตรที่อยู่ไกลหกข้อนี้สุดท้ายแลนะก็คือสหายที่ชั่วมิตรชั่วนั่นเองว่าอันนี้ไม่มีประโยชน์เลยอันที่หกเนี่ยไม่เพียงแต่ไม่มีประโยชน์นี่เป็นโทษภัยด้วยเพราะว่ า, าศาสนาพุทธพระเจ้าสอนเลยว่าไม่คบคนชั่วเป็นมิตร มันไม่เพียงแต่ไม่เป็นประโยชน์นะอันนี้เป็นโทษเป็นภัยทั้งหประการนี้เมื่อเกิดทุระขึ้นแล้วใช้ประโยชน์อะไรไม่ได้เลยนะอันนี้หกหอย่างวันนี้อาจารย์ม า, าคิดว่าคงสรุปไว้ตรงนะยี่สิบสองอย่างแล้วก็มาสี่อย่างแล้วก็มาหอย่างนะสรุปไว้แค่ตรงนี้ก่อนพอเดี๋ยวต่อจากนี้ไปจะ จะไปเป็นแปดอย่างจะไปเป็นอีกไม่รู้อีกกี่อย่างจะเพิ่มมันจะเป็นชุดชุดคือตอนนี้พยา น, นกุณาราเนี่ยจะพูดโทษภัยต่างๆของผู้หญิงเนี่ยออกมาเป็นชุดชุดชุดชุดเรื่อยๆ